ต่างันเมืม <c oughs> อ่อเช้ามแวปปฏิบัติธรรมมาระหว่างรอบบ่ายเชา้ารอบเชา้าแล้วอบนี้รอบบ่ายใช้เวลาถึสาชั่วโมง ประสบะการณ์อะไรยังไง คิดบ่อยมามกลับมาได้ไวไหมคิดถึงที่ทำงานหยังยันไม่มีทาง ความเมื่อยมันจะเป็นผลผลของการวางกายใช่ไหมคือัน ก, กรมั น, ม, นมันไม่มีอะไรไกวก่อนเราเกรงใช่ไหมฮเราเกรงเี ย, ยสุหนันว่าพอปรากฏผลนก็แสดงว่าในขณะที่เรากำลังยังกำลังปฏิบัติธรรมอยู่ใช่ไหมฮะเราจะยกมือสร้างจําหวหว่าเรากำลัง เดินจงกลมกระตางบางทีเมื่อยเมื่อยเมื่อยหลังเมื่อยแขนจะมาจากการเดิน <c oughs> จนจากการเดินไม่ได้แต่ว่าถ้าเราไปออกใจสั่กับขากับเท้าแล้วเราก็มานเก่็งสวนบนตรงนี้มันเองก็อยู่ที่ว่าเราวางกายเขาเรียกว่าวางกายไม่คลาย เป็นก็จะเป็นเพราะว่าเราไปาเอาใจใส่อยูเฉพาะอะไรนะเฉพาะส่วนเฉพาะที่เป็นไปได้นีก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นักปฏิบัติเมื่อปฏิบัติใหม่ๆก็จะเป็นกังวลกังกวลกลัวไม่รู้สึกบางคนก็ต้องก้มลงมอ ง, มองขามองเท้าอย่างเงี้ยนะ <c oughs> ที่กลัวจะไม่รู้สึก จริงๆแล้วความรู้สึกตัวก็เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วรู้สึกอยู่แล้วนี่สิ่งงที่เป็นเรียกาดว่าความคิดกลัวกลัวจะไม่รู้สึกตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งีพอมีความคิดเนี่ยก็เรียกว่าความคิดมันก็จะมาบาังความรู้สึกตัวเพราะว่าใจที่จะไปคอยใช่ฮะสังเกตความรู้สึกตัวก็จะไปอยู่กับความคิด ตรงนี้คราบมันจะมีมีมีสิ่งที่เราคนทํางานในเมืองนะสิ่งที่ที่เป็นนิสยัยเป็นหนะูก็คือตรงนี้เรามีนิสัยที่จะที่จะหมกมุ่นพุ่คิดนะฮะนี่นู่นี่นี่สารพัดเลยเขาเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็พอใจที่ไปอยูความคิดใจมันก็จะไม่มารับรู้ความรู้สึก ใจที่ไปอยู่ความคิดใจก็จะไม่รับรู้ความรู้สึกฉะนั้นความรู้สึกก็มีอยู่แล้วความรู้สึกก็มีอยู่ทุกขณะเลยแต่ว่ามันไปอยู่กับความคิดซะอย่างเ้ยแล้วเราเองเราก็อยู่กับความกลัวที่จะกลัวที่จะไม่รู้สึกด้วยในอย่างเงี้ย น, <ม>นั่นคือตัวแหน่งแนะเราก็วางกายกลางกลางวางใจกลางๆลางใช่ไหมคนระัอย่างที่เมื่อคืนนี้ก็จะโน้ตได้ใชใ้ดูข้อแรกเลยนะ ใช่ไหมฮะเทคนิคของพรเตียนก็คือวางกายกลายๆวางใจกลางกลางบางทีตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับให้เราให้เราเหมือนกับระลึกระลึกเอาไว้เลยคนที่เราปฏิบัติทรรใหม่ๆส่วนใหญ่แล้วเราก็จะก็จะติดติดอยู่กับตรงนี้ติดติดอยู่กับสิ่งที่กลัวไม่รู้สึก เราก็ถูกความคิดหลอกเพราะว่าเราก็หลงคิดไปกลัวอยู่จช่ไหไปติดอยู่ความคิดตัวนั้นเพราะฉะนั้นถือตัวนี้ข้างบานเราถือว่าเรารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวถ้ารู้ว่าคิดไปก็กลับมารู้สึกตัวถ้ารู้ว่าคิดไปแล้วกลับมารู้สึกตัวไม่เป็นไร <S <S <S คือเรื่องคิดมันก็ถือว่ามันเป็นเรายังมีนิสัยนิสัยที่ช่างคิดอยู่ ตรงนี้ก็อย่าไปกังวลว่าตอนเวลาเราทำนะแบบว่ า, ายัางไงนะเราจะไม่คิดนะแต่ว่าการที่เรากลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวเรารู้สึกตัวได้อยู่แต่ก็นี่มัเปี่ยนแต่ว่านีครับาบางทีเราก็จะไปอยากรู้สึกมากเกินนะคบาบางทีเราก็หลงไปอยู่กับความคิดอย่างไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบว่า เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกับคนเมืองนะคนที่ใช้ความคิดคนที่ที่ทำงานกับความคิดแล้วก็เคยชินที่จะหาคาตอบจากความคิดอนเะี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องปกติที้เห็นน้ว่าเราเองพอเราเริ่มต้นใช่ไหมคนระับเราก็จะเหมือนกับนิสัยเดิมก็มีความพยายามใหม่ก็มีเหรื่อยนะา เพรฉะนั้นน่คือตรงนี้ว่านิสัยเดิมก็จะมาแย่งขึ้นที่บ้างความพยายามใหม่ที่ถูกต้องก็มีบ้างตรงนี้ก็ไม่ต้องโกรแต่ว่าอย่างผลที่ปรากฏขึ้นมตรงนี้ก็นะฮะก็ให้เรารู้ว่านี่เราไปมาบ้านไปอยู่กับความเครียดความกลัวนะ <c oughs> กลัวจะไม่รู้สึกตัวเยอะนะฮะอย่างนี้ คือเราไม่ห้ามความคิดนะคือความคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมามันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาอย่างที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาห้ามเขาอย่างเง้ยนะแต่ว่าเรามีงานใหม่อันหนึ่งก็คืองานที่จะกลับมารู้สึกตัวก็เป็นงานอย่างงานคือถ้าเราเอาใจใส่กับการที่เราจะไปหารายละเอียดกับความคิดเนี่ยเราก็จะไม่ได้เอามาเอาใจใส่ซื่งของความรู้สึกตัว เพราะฉะ น, นั้นคือตรงนี้ครมันจะเป็นเหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นนะครเป็นจุดเริ่มต้นให้เราละความเคยชินเดิมของการช่างคิดคิดเล็กคิดน้อยอย่าใช่ไหมฮะอย่างนี้ย่างนคิดเล็กคิดน้อยก็คือไอ้นุนนมมนน่นไอ้นี่ก็เก็บมาคิดไปหมดอะไรยเงี้ยใช่ไหมฮะไอ้นุ่นไอ้นี่ก็ใช่ไหมฮะคิดดีก็เอาคิดไม่ดีก็ไม่เอาอะไรเงี้ยแต่พอเวลาที่เหมือนกับคลา้ายๆมากพอเวลาที่เราปฏิบัตินี่ เราก็จะเริ่มเห็นความคิดบ้างความคิดไหนที่เราไม่ต้องการนะเราก็จะแบบพยายามปัดทิ้งความคิดไหนที่เราอย่างอะไรอาวอรเราก็มีความ ร, รู้สึกขออีกนิดนึงอะไรเงี้ยครซึ่งตรงนี้ฮะทั้งหมดคือไม่ว่าจะเป็นความคิดดีหรือไม่ดีชอบหรือไม่ชอบท้ายสุดเราก็เข้าไปยุ่งกับเขาก่อเลยนะฮะเพราะ mm hmm. ฉะนั้นคือตรงนี้มันก็เป็นถ้าว่าเป็นความเคยชินของเรานะฮะ mm hmm. เราเรียกว่าคือ หลวงพ่อเขียนก็จะใช้คำอยู่คำหนึ่ง ก, กลับมาได้หรือยังนะครับกลับมาได้เร็วไหมออย่างเงี้ย น, น ะ, ค, ะคือหมายถึงว่าพอเราคิดเนี่ยยังไม่ต้องไปหาอะไรละเอียดแล้วคิดว่าอะไรยังไงนะกลับมาก่อนกลับมาก่อนเียคือคำว่าคิดเนี่ยเราเรียกว่าหลงไปคิดใช่ไหมเอาคว่าหลงไปคิดเนี่ยก็เราก็รู้แล้วว่าหลงใช่ไหฮะเ คือถ้าเรารู้ว่าหลงก็ไม่ต้องไปหาเลยว่าคิดว่าอะไรคือถ้าเรารู้ว่าหลงก็ก็เรียกว่าดีมากเลยจ่เป็นนั้นแล้วก็สำรรู้สึกโัวเลยอย่างนี้คแล้วก็เปลี่ยนหลงเป็นรู้นะฮะอย่างนั้นอะไรตรงนี้แต่ถ้าหากว่าเราเข้าไปค้นหาว่านี่คิดอะไรคิดดีคิดไม่ดีชอบไม่ชอบยอะไรยเนยเขเรียกว่าเข้าไปเป็ น, เ, ปนเราไม่หักที่จะเป็นผู้ดูเพราะฉะนั้นก็คือตรงนี้ว่าสิ่งที่พวกเราจะต้องหักกันก็คือ หัดที่จะดูหัดที่จะดูหัดที่จะดูกายเคลื่อนไหวหัดที่จะดูใช่ไหมฮะใจที่คิดนึกอย่างเงี้ยนะฮะอยงรู้ว่าคิดนึกไปกลับมาอยู่กายที่เคลื่อนไหวเราจะมีกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นที่ที่จะให้ใจเราเนี่ยกลับมากลับมาอยู่เพราะว่าเราสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมาเราสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมาการเคลื่อนไหวตรงเนี้ยฮะที่ก็จะโนยก็จะเน้นนะครับบอกว่าเราดูกายเคลื่อนไหวนะ อย่าไปจี้อย่าไปเจ้าม่อแค่มือแค่เท้าเพราะว่าตรงนี้จิตก็จะจาความเคลื่อนไหวเอาไว้ใช่เราคอยดูกายที่เคลื่อนไหวคอยดูกายที่เคลื่อนไหวน ะ, ะแล้วก็คอยดูใจที่คิดนึกอย่างใจที่คิดนึกอาจารย์แ้วก็จะบอกว่ า, วาอะไรเด่นนะครับเรารู้สึกตรงไหนก็เอาอันนั้นแหละเรารู้สึกตรงไหนเด่นก็เอาอันนั้นแหละเพราะว่าใจเราเนียมันจะไหวยนะะบางที เดี๋ยวตาเห็นลูกสนใจใช่ไหมฮะก็รู้ว่าอ๋อนนี้ใช่ไหมฮะใจมันไปสนใจตรงนี้บางทีได้ยินเสียงสนใจอย่างเงี้ยใจมันก็วิ่งไปอีกที่หนึง่ง <gerçekten> นั่นคือตรงนี้ฮะมันจะเป็นตรงที่เราก็จะเห็นกายส่วนหนึ่งแล้วก็จะเห็นใจที่มันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็อยู่ตรงนั้นดินมันก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะตามตามที่เรียกว่าตรงไหนที่มันเด่นใช่ไห ม, เ ด, ม, มเดี๋ยวมันก็จะกลับไปอยู่กับกายบ้างเดี๋ยวมันก็จะกลับไปอยู่กับความคิดบ้างตรงนี้นะฮะเป็นสิ่งที่เหมือนกับ ถ้าเราเนี่ยอาศัยความเคลื่อนไหวเป็นหลักอาศัยความเคลื่อนไหวเป็นหลักเอาไว้แล้วก็ส in ่วนที่เด่นขึ้นมาตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องที่กายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งกายก็ส่วนหนึ่งใจก็ส่วนหนึ่งถ้าหากว่าเราอยู่กับอย่างนี้นะเราก็จะหัดที่จะเป็นผู้ดูหัดที่จะเป็นผู้ดูแล้วก็ตรงนี้ครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยกลับมาได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นนั่คือตรงนี้นะครับเราก็ อย่าไปอะไรอวบ น, นะคิดดีคิดไม่ดีตรงเนี้ยครับหักเราหักวางหัดวางตรงนี้ครจะเป็นก็เรียกว่าจะเป็นประโยชน์เยอะๆเลยคะการหักวางความคิดนะฮะการหักเป็นผู้ดูตรงเนี้ยนะฮะอย่างเง้ยเราก็จะได้เหมือนกับให้เขาว่าได้ทั้งสองเรื่องไปพร้อมๆกันนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่หักแล้วเราก็เข้าไปเป็นผู้เป็นนะฮะใช่ไหมฮะอย่างเนี้ยเราก็ไม่ได้ ช่วงนี้ก็เรปิดปิดะคะส่งกันถ้าส่งกันบ้านก็ก็เราปิดปิ ไม่วัดผลมากน้อยอะไรจะมากอะไรไม่คิดนะก็คือเราเอาเราเอาเราเอาเพราะว่ามันเดี๋ยวที่มากมันจะมีทั้งนิสัยเก่าที่เคยชินกับมีสิ่งที่เรากำลังเติมข้อมูลใหม่ใช่ไหมฮะหนึ่งเนนั้นการเติมข้อมูลใหม่กล้วพ่เทศจะได้รู้ซึ้งพอเลยนะใช่ไหมฮะไม่ต้องช่างหนักหนักมากน้อยมากน้อยไม่เอาเลยนะฮะอย่างนี้ก็ให้เราให้เราแบบว่า ยังไงก็ตามเนี่ยการที่เราเองแบบว่าใจดิ้นรนน้อยลงนะครใจสนใจน ะ, ะความเป็นไปของกายของใจมากขึ้นแนะะี้ตร น, นั้นก็เป็นเรื่องที่เราเองเราก็เหมือนคล้ายๆว่าสุภาพเสียงก็จะใช้กันมากกลับมาได้เร็วนะเนี้ยใช่ไหมฮะกลับมาได้เร็วมาใช่ไหมฮะตอนนี้ใจเราอยู่ที่ไหนอะอย่ า, างนี้ก็ตามนี่ฮะก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกันมา เราก็ไม่ไม่คัดคั้นไม่เอาผิดไม่อะไรยังไนงนนะฮะั้เดินหน้าไปเรื่อยๆเดินหน้าไปเรื่อยๆเพราะว่าตรงนี้ยในขณะที่เรากําลังเรากําลังเดินทางอยู่ก็คือเราไม่ไปหยุดวัดผลเราไม่อะไรยังไงต่างๆนานานะตรงเนี้ยเราก็จะยิ ง, ยยงอยู่การเดินทางไปเรื่อยๆการเดินทางไปเรื่อยๆการที่เรากลับมาเอาใจใส่ อยู่กับความเป็นไปของกายกับความเป็นไปของใจมันก็ดีที่สุดแล้วนะคะ ม, มันจะชัดไม่ชัดมันจะอะไรยังไงก็ช่างมาเถิดไม่เป็นเราการปฏิบัติแมวขยับมือนะครับทำร่วมกับดูลมหายใจหรือว่าว โ, โทรแล้วไหมครับมีไปด้วยกันได้หรือว่าอาจจะมีข้อที่ทำให้ขัดแยกันไห คืออย่างเราเราจะไม่ใช้คำวา่าขยับมือเราจะเราจะใช้คำวา่าอยู่กับความเคลื่อนไหวถ้าเราอยู่ความเคลื่อนไหวลงในใจก็เป็นส่วนที่ขึ้นแต่ถ้าเป็นการบริกรรมก็เป็นอีกส่วนซึ่งเราณัตอนนี้เนี่ยเราว่าเราอาสัยการเคลื่อนไหวตัวการเคลื่อนไหวที่หลวพเทียนแนะนำให้ไว้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ เราเอาไปผนวกเข้ากับชีวิตประจำวังงนง่ายกว่าเพราะเรื่องจากว่าถ้าหากว่าจิตเราเคยชินที่จะรับรู้ความเคลื่อนไหวของกายเนี่ยณวนะันนี้การเคลื่อนไหวที่เราเรียกว่าสร้างจังหวะเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวที่เราเองเราสร้างขึ้นนะเราเองเราสร้างขึ้นสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นแต่ในขณะที่เรากาลังสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมันก็มี ความเคลื่อนไหวที่เป็นไปเองตามธรรมชาติก็อีกหลายอย่างจะเป็นการกระตุ้นตาปากจะเป็นลมหายใจนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอการที่เราสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมาตรงมันจะทําให้จิตเราแบบว่าจดจําความเคลื่อนไหวไม่ว่าเป็นความเคลื่อนไหวที่เราสร้างขึ้นก็ตามจะเป็นความเคลื่อนไหวที่เป็นอยู่ตามธรรมชาติก็ตามตรงนี้ครับก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะ เอาตรงนี้ผนหลวข้าไปใช้เหมือนกับชิบปปราจันได้เดยอะอย่างเราสร้างจาังหวะใช่มครับ <c oughs> ตรงนี้เป็นสิ่งที่เราสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมาเราแปลงฟังเราก็สร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมาเช่นหมครัมีอีกหลายๆอย่างที่เราสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นมาแต่ว่าก็มีอีกหลายๆอย่างที่มันก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเองเพราะฉะนั้นกคือตรงนี้ว่าเราจะได้กํำไรจากการที่เรา คล้ายว่าเรียนรู้ความขึ้นใหม่จาก14บสี่จังหตรงนี้หรือการเดินจงกรมตรงเนี้ยเราจะไปไปผนวกควากับความขึ้นใหม่อื่นๆที่เกิดขึ้นในชีวิตจําวันได้เยอะแยะเลยมแต่ถ้าหากว่าเราบริกรรมปุ๊บถ้าเราไม่บริกรรมคํานั้นใช่ไหมฮะตรงเนี้ยบางทีเราก็ไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นก็คือตรงเนี้ยว่าครูบาอาจารย์ก็เหมือนกับเลือกเลือกวิธีการที่จะให้เราเนี้ยเอาเขาเรียกว่าการปฏิบัติธรรมเนี้ยเข้าไป ตลมกลื่นกับชีวิตประจําวันได้นั้นคือตรงนี้ครับมันจะเป็นสิ่งที่ถ้าเราเองเราก็จะได้เนมือนกับถ้าเราทําจนมันมีนิสัยจิตที่จะอยู่ความเคลื่อนไหวตรงนี้นะครับเป็นเรื่องที่ก็จะก็เรียกว่าสติเราก็จะฉับใวกับกับทุกความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นเราก็จะได้คิดว่ า, าได้กําไรได้กําไรกับตรงอื่นๆที่เราไม่ได้ตั้งใจ ค, คือการที่เราเริ่มต้น อ, อย่างที่บอกว่าปล่อยให้สบายๆปล่อยให้สบายๆไม่เป็นที่ไม่เป็นเจ้อเนี่ยนะฮะว่าเราเริ่มต้นที่ความรู้สึกพอเหมือนกับมีสติที่จะอยู่กับความรู้สึกตัวใช่ไหมฮะเราเหมือนกับแรกๆค่ะ จ, จะตั้งใจงนะฮะ พอเราเริ่มเริ่มบรรจุคำว่ารู้สึกตัวเข้าไปกับตัวเราแล้วเราเริ่มจับความรู้สึกตัวอย่างที่บอกว่ารู้สึกได้ไหมใช่ไหมครัรู้สึกได้ไหมว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรยังไงตอนนี้กำลังทําอะไรอยู่ซึ่งตรงนี้บางทีก็จะพูดกันมาเป็นปัจจุบันปัจจุบันขณะเรากําลังทำอะไรความคิดไม่เป็นปัจจุบันนะฮะใช่ไหมฮะอย่างะไงอย่างเี้แต่ว่าสิ่งจริงๆตรงนี้นคือสิ่งที่เราจับต้องได้เพราะฉะนั้นคือตรงนี้คือของจริงนะฮะเป็นของจริง ก็เราก็อยู่กับปัจจุบันขณะในขณะที่ปัจจุบันขณะเรากำลังแปรงฟันเรากำลังล้างหนะ้าอะไรก็ตามตอนนั้นก็เป็นปัจจุบันขณะณณขณะนั้นขั้นอัขระ น, นั้นไปตรงนี้มันจะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราเนี่ยเหมือนกับมีโอกาสที่จะกลับมารู้สึกตัวเนี่ยได้เย อ, ยอะแยะพอโปรแกรมคําว่ารู้สึกตัวเข้ามาแล้วเราก็ใช่ไหมครัรู้สึกตัวเฉยๆอย่างนี้ละอย่างเงี้ยเราก็จะเริ่มเหมือนกับรู้สึกตัวกับโอกาสนั้นโอกาสนี้ใช่ไหม โอกาสนั้นโอกาสนี้เยอะแยะไปหมดเลยอย่างสมมติถามว่าเราสังเกตการทานข้าวหรือการสังเกตการแปลงฟันอะไรที่เราทําเป็นระยะระยะมันทุกอย่างการอาบต้องอาบน้ำํำถ้าถามว่าเรากลับควารู้สึกตัวเราก็จะได้รู้สึกนะถึงบางแบบบนทีน้ําเย็นสบายดีบางทีกับน้ำเย็นไม่ไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอยเงี้ยหรือว่าจะเป็นเรื่องของอะไรนะก็เรียกว่าจะเป็นเรื่องของอาหารที่ การตัดของเราแต่ละครั้งแต่ละครั้งใจเราก็จะเปลี่ยนไปเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไมหมฮะอย่างนั้นเลยซึ่งตรงเนี้ยว่าพอเราได้โปรแกรมคำว่าความรู้สึกตัวเข้าไปได้โปรแกรมว่าใจาคิดนึกเข้าไปตรงเนี้ยเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นรับรู้ได้ถึงความรู้สึกนะครของการเคลื่อนไหวของกายหรือว่าความรู้สึกของจิตใจที่มันเปลี่ยนไปที่มันไม่เที่ยงไปตรงนี้นัน่นก็คือ โอกาสที่เราจะมีเนีคราวนี้เพียงแต่ม่าณวันนี้เนี่ยโปรแกรมตรงนี้มันก็ยังเหมือนกับเป็นโปรแกรมที่เรายังไม่ไม่เป็นนิสัยนะฮะไม่เป็นนิสัยมันจะเป็นโปรแกรมที่โปรแกรมเก่าๆของเรามันยังเข้ามาเบียดพื้นที่เพราะฉะนั้นนัคือตรงนี้ถ้าเราค่อยๆค่อยๆทําไปค่อยๆทําไปเนี่ยตรงนี้ฮะเดี๋ยวๆมันก็จะเริ่มเป็นนิสัยใหม่เป็นนิสัยใหม่ พอเริ่มเป็นยิสัยใหม่พื้นที่เก่ำมันก็จะลดลงนะฮะ <c oughs> <c oughs> จะโน้เซลยวอะไนี้ <S <S ที่ฐานนะบางทีเราปวดเมื่อยอะไรก็ไม่ต้องกังวลตรงนั้นบางทีปวดเมื่อยแล้วแต่จะไม่ค่อยอยากให้อยู่นิ่งๆนะบางทีนิ่งแต่ถ้าอยู่นิ่งกับอยู่กับลมหายใจหรือว่าอยู่กับอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรหมือถึงว่าก็าให้มีฐานสักอย่างนะึง แต่อย่าอยู่นิ่งแล้วก็ปล่อยใจไปคิดนึกปรุงแต่ง<ช><ม>เราอาจจะปวดไหลแล้วก็แค่พลิกมือก็ได้<ม>ถึงนิ้วก็ได้เาะอะไรมั น, มนก็ได้คือให้สร้างการเคลื่อนไหวสักอย่างเือให้จิตมัน ม, มันมีเครื่องรับรู้ <บะ S 2> คือแต่ถ้าเราพอพอเรานิ่งไปแล้วมันจิตใจมันก็ลอยไปได้ง่ายอันนี้เราเราพยาพยามทําพยายามทําแล้วพอ พอตอนวางพอตอนนั้นก็ดึมดึงใจดึงตัวไปเลยเนี่ยก็เสียประโยชน์ไปนะเนะี่ยหลวงพ่อเทีย น, นก็บอกว่าพยายามฝึกให้มันตอนเนื่อตกนะันนะเสร็จในรูปแบบบ้างนอกรูปแบบบ้างมันเป็นแบั้ความปวดเมื่อยก็อย่างที่อาจารย์ตุ้มว่าแล้วก็สังเกตดูบางทีมันก็ปวดเมื่อยโดยธรรมชาติตัวนีเริม่มมากมากเจ็บงงมากก็ปวดเมื่อยโดยธรรมชาติข้อ ก, กายก็ต้องมีความ ปวดเมื่อยมีความทุกข์ของมันเป็นธรรมดาแล้วแต่บางทีก็เกิดจากการที่เราวางกายไว้ผิดวางใจไว้ผิดนะทําให้กายมันปวดเมื่อยก็มีครสังเกตุบางทีหนึ่งกิริยาอาการอาจจะเกิดจากเหตุปัจจัยแตกต่างกันไปก็ได้อันนี้ต้องเป็นเป็นเรื่องที่เราต้องดูตัวเองว่ามันเกิดผลนั้นเนี้ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรแต่ก็ไม่ต้องไพยายามคิดไตรตรองมากมายก็แล เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอะไรแต่ให้ยอมรับผลในตอนนั้นก่อนให้ยอมรับผลในตอนนั้นแล้วก็แก้ไขผลในตอนนั้นปรับเปลี่ยนให้มันสบายก่อนแล้วก็เดี๋ยวเร า, าทำไปเรื่อยเดี๋ยวกม็มันเป็นแบบนี้ไปบ่อยมันก็อะไรเดี๋ยวเราก็ค่อยๆเข้าใจคือขั้นแรกยอมรับผลในปัจจุบันถ้าเรายอมรับผลในปัจจุบันใจเราจะมีทุกขาอผลในปัจจุบันเนี่ยมันก็ดับทุกในทันทีละ แต่ถ้ามันเป็นเรื่องของทุกขกายท่านี้ก็ค่อยบรรเทาไปเนี่ยบรรเทาไปแต่ทุกขกายมันทีเราต้องอาศัยเวลาอาศัยอะไรต่างๆให้มันดีขึ้นก็ต้องรอเวลามัน้างแต่เราดับทุกข์ใจทันทีเลยไม่กังวลกับมันแล้วแล้วเราค่อยๆดูเราก็รู้สาเหตุว่าทำไมมาถึงทุกข์กายตรงนี้แล้วก็ดูของมันไปนี่ก็คือถ้าเราวางวางใจแบบนี้ได้ รูกเวศนาที่เกิดขึ้นกับกายก็เป็นแค่เรื่องธรรมชาติเฉยๆนะเป็นการทุกคนเป็นการทุกคนบางคนก็นั่งก็ปวดขาปวดหลังปวดไหล่เดินก็เหมือนกันนะฮนะเป็นการทุกคนแล้วก็ทําหน้าที่ได้จริงแค่ปรับเปลี่ยนมเท่านั้นแหละคนะรับเปลี่ยนแต่บางทีก็อย่างโยมบางคนยกแรงเกินไปยกเร็วเกินไปเอาทิงไว้จังเกินไปอย่างี้เขาต้องหอื ทำผ่อนคลายดูนัดบางทีอาจจะมีใครเตือนได้เตือนเราจตลอดลอเวลาแล้วก็ทุ่มดูอาจริงเอาจาังเกินไปแล้วนะเคร่งเคียดเกเดินไปแล้วหนะ้าก็ก็ดูอย่างที่เราไม่ต้องตรีกาหนดว่ามันจะต้องชัดหรือไม่ชัดนะมันชัดหรือไม่ชัดก็ก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรรู้เท่าที่รู้ได้รู้เท่าที่รู้ได้ไดนะแต่ถ้าเนืรร่อยดกอยากชาัดไม่ชอบ ไม่ชอบเขาก็ไม่ชัดนะมันจิตใจเรามอยากใช้ไม่เป็นปกติดังนั้นถ้าสภาวะทำในปัจจุบันมันเกิดแบบไหนเราก็รู้มันอยาที่มันเป็นเลยไม่เป็นไรเหมือนอากาศตอนเนี้ยจำได้มันแบบมันไม่โป่มันไม่โรคงใช่ไหมมันแตกต่างจากตอนแดดออกอะแต่ถ้าใจเราไปอยากให้มันสว่างอยากให้เห็นชัดชัดเลยนะใจเราเป็นไงใจเราเครียดนะใช่ไหมในเมื่อตอนนี้มันไม่มี ม, มีแดดอะเมฆมันบางก็รู้อย่างที่มันเป็นนี่แหละใช่ไหมเห็นใบไม้ไม่ชัดเห็นท้องฟ้าไม่ชัดเพื่อไม่เห็นอะไรก็รู้แบบนี้หละ ย, ยอมรับสัมความเป็นจริงตอนที่มันชัดอ๋อก็ราะแดดมันออกมันรู้เรวก็รู้มันอย่างที่มันเป็นจริงอันเนี้ยใจเราถ้ายอมรับสภาวะแวดล้อมภายนอกได้สัมคันธเป็นจริงอันนี้หมาว่าบางทีเรายอมรับได้ง่ายแต่ส่วนเหญสภาวะในใจของเราเนี่ยเราไม่ค่อยยอมรับมันมเราจะอยากให้แต่มันดีอย่างเดียว อยากให้แต่มันดีนะอยากให้มันมีแต่ <St trails> สติอยากให้มันมีแต่สมาธิหรือว่าอยากรู้ตัวเองมันชัดเจนนะถ้าเราสังเกตตัวนี้นะสังเกตตัวนี้อ๋อมันติดดีแบบนี้นี่เองนะอาการที่ว่าติดดีเป็นแบบนี้นี่เองติดสุขติดสงบติดความรู้ตัวเป็นแบบนี้เราค่อยๆสังเกตดยู่ถ้าเรารู้ทันตัวนี้นะรู้ทันตั้งแต่อาการติดดีแลนะ้วเนี่ยความคิดที่มันดีอย่างที่ บางคนบอกอยากจะคิดต่อนะ่ยอวคิดอะไรก็แล้วแต่นะมันจะมีค่าเท่ากันจะดีก็ตามไม่ดีก็ตามไอ้ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นคิดดีที่จริงมันมันเกินไปแล้วนะถ้าเรารู้ทันนะแตกพอมันเรียกว่าจิตมันเคลื่อนนิดนึงเนี่ยตอนตอนที่จิตมันเคลื่อนมันยังไม่เป็นความคิดมันเรียกว่ามันไม่ยังไม่มีสมมุติภาษาหรือว่ายังไม่มีภาพภาพแบบจินตนาการออกมาเลยนะ มันแค่รู้ว่าจิตมันเคลื่อนออกไปจากฐานนะแค่นี้แหละถ้ามันรู้ทันตอนเนี้มันยังไม่ยังไม่เป็นภาพอย่ามันเป็นภาษาแต่พอรู้ไม่ทนันนี่มันก็ไปปุงต่อเป็นเรื่องเป็นราวเป็นภาษานะพอปุงเป็นเรื่องเป็นราวตอนนี้ก็มีความสําคัญต่อชอบไม่ชอบดีไม่ดีอยากคิดต่ออยากห้ามมันเลยนะมันก็ต่อไปเรื่อยนะ <c oughs> มันเป็นกระบวนการคล้าย นับหนึ่งสองสามสี่อ่ะไปเรื่อยๆนะสังขารการปรุงแต่งของวันมันมันต่อไปเร็วมากแต่เราก็ไม่ต้องกังวลเรารู้ทันมันจังหวะไหนตอนไหนมันเผลอไปอาจจะสิบวินาทีแล้วเพิ่งรู้ทันก็ไม่เป็นไรก็ดับมันที่ตรงนั้นนะแต่คิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างก็ก็ขอให้อ่าวางมันสักสักอยา่างนอกจากนอกจากช่วงที่เราทํางานทําการ เรตั้งใจคิดเรื่องการเรื่องงานอันนั้นก็คือให้ตั้งใจคิดไปเลยนตั้งใจคิดถ้าเราตั้งใจคิดเรื่องการเรื่องงานได้มันก็วางได้หรือไม่แต่เรื่องการเรื่องงานก็ต้องคิดให้เป็นเวลาด้วยนะบางทีนยเรื่องเออเรื่องการเรื่องงานเอามาคิดตอนจะนอนเอามาคิดก่อนปฏิบัติธรรมอะไรเนี่ยมันเรียกว่ามันก็เรียกว่าเราใช้ความคิดไม่ถูกเวลาพอเราใช้แบบเนี้ยครั้นี้มันจะสเปคสปะมากมันจะมั่วมากเลยเพราะว่าเราเคย ตามใจว่าเคยปล่อยแบบนะต่อมาเดี๋ยวเรื่องการเรื่องงานมันก็ไม่เลือกเวลามันก็เข้ามาควรตลอดเวลานแต่ถ้าเราตั้งใจคิดให้มันจบมันก็พอเช่นั้นพอมันเข้ามาแท้กเมื่อไหร่ก็รู้ว่าอ้อมันรักคิดแล้วมันรักคิดแล้วมันรักคิดแล้วมันก็จะตีค่าเปลี่ยนจนไปเปลี่ยนไปอันนี้คือความคิดมันก็มีสอลักษณะอาการที่ตั้งใจคิดก็อาการหนึ่ง ตั้งใจคิดแล้วก็จบตรงได้แต่อาการที่ไม่ได้ตั้งใจคิดแต่มันฝือแทรกเข้ามาเนี่ยรู้ทันแล้วก็วางมันเถอะวางทุกอาการวางแม้วางแล้วมันยังอยากจะหยิบขึ้นมาอีกนะยังโผล่เข้ามาอีกอยังแทรกเข้ามาอีกก็ไม่เป็นไรหน้าที่เราก็คือวางใหม่วางใหม่ทําได้แค่นั้นอยมนะเหมือนกับใบไม้ที่มันหล่ น, ม, นมันก็หน้าที่เราสมมติเก็บใบไม้กวาดใบไม้แล้วก็ทําหน้าที่แบบนั้นไปเราไม่สามารถห้ามไม่ให้มันไม่หล่นได้ ความคิดเราก็ไม่สามารถห้ามให้มันไม่เกิดนะให้มันไม่เกิดไม่ได้นะมันก็เกิดตรวมันแล้วก็รู้ทันแล้วก็ทำหน้าที่ของเราคือรู้สึกตัวรู้กายบ้างรู้ทันใจบ้างรู้อะไรก็ได้นะตามความเป็นจริงที่มันเด่นที่มันชัดในตอนนั้นเราก็เราก็ดูอันนี้แหละมันจะถ้าเราทำได้ตอนนี้เดี๋ยว ทุกขณะนะในการทํางานทําการแล้วก็คอยตามรู้การเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเคลื่อนไหวกายแทนที่จะเดินไปที่ทํางานเดินไปรถเดินไปคิดไปแล้วก็เดินดูกายไปเดินดูกายไปคอตามกระทบรูปหนูได้ยินเสียงเป็นอย่างไงเสียงโฆษณาหาเสียงเข้ามาพักนี้เราชอบพักนี้เราไม่ชอบรู้สึกอย่างไรอยู่เนี้ยก็คอยรู้ทันดูข่าวดูทีวี v. อ่า เห็นสิ่งเป็นสาระสิ่งไม่เป็นสาระจิตใจเรารู้สึกอย่างไรนะก็ดูเนี่ยสิ่งต่างๆนะมันมันจะเป็นใช้เอามาให้เราดูอารมณ์ตัวเองมันไม่ใช่ผิดหรือถูกธรรมชาติมันเป็นแบบนี้มันเลือกไม่ได้สังคมไทยบริบทสังคมที่เราอยู่แบบนี้เราก็ดูดูไปใจเรารู้สึกอย่างไรพอเรารู้ทันได้บ่อยๆนะมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสติเกิดขึ้นบ่อยๆ เมื่อสติเกิดขึ้นบ่อยๆเราก็จะเห็นตัวเองบ่อยๆมันไม่ใช่ไม่ไม่เกิดความโรคความโกรธความโลภนะไม่ใช่มันยังมีอยู่พวกเรายังมีเชื้อแต่เมื่อมีสติมันจะรู้ทันได้เร็วเหมือนกับไฟที่กองน้อยๆนะมันก็ดับได้ง่ายถ้าเรารู้ทันได้เร็วมันเป็นแบบนั้นเองนะแต่ทําไมเรารู้สึกบางทีโกรธแล้วรู้แล้ามันไม่่ายโกรธนะเพราะบางทีเราไม่รู้ทันตั้งแต่ตอนที่มันหงุดหงิดตอนที่มัน ขัดเคืองใจนะมันปล่อยให้เป็นความโกรธเป็นความโมโหเป็นความพยาบาทแล้วนะมันไหมแรงนะไฟมันไหมไปหลายนาทีแล้วเอาน้ำไปดับทางเดียวแล้วก็ไปบ่นว่าทำไมมันไม่ดับนะมันมันก็ไม่ใช่เรื่องนักใช่ไหมดังนั้นเรารู้ทันให้มันเร็วกันก่อนรู้ทันมันแล้วมันยังไม่ดับก็รู้ทันนันใหม่เหมือนกับน้ำสาดเข้าไปในกองไฟถังแรกไม่ดับ เขตากไปเรื่อยอทำหนะ้าที่ดับไปเรื่อยดับไปเรื่อยนะแต่ที่จริงอาการของจิตตอนที่มันตากน้ำเข้าไปแต่ที่รู้ถันที่มันก็ดับแ ป, ป๊บหนึ่งนะมันจะรออีกแ ป, ป๊บหนึ่งแต่มันก็จะมีเชื้ออยูนะ่แล้วก็เลยเกิดขึ้นใหม่เกิดขึ้น ท, ทันทีเลยนะก็ไม่เป็นไรนะเราก็ทำแบบนี้เราไปเรื่อยเอาง่ายๆนะเรามาฝึกเนี่ยอย่าไปเค่งเครียดกับตัวเองมากเพราะถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยมันจะหลงทั้งวันทั้งคืน ถ้าเรามาฝึกเนี่ยบางทีมาดูสักร้อยครั้งพันหลอนนี่ก็อย่างดีนะมสมมติสัาวันหนึ่งเนี่ยวันหนึ่งนี่เขา24ชั่วโมงเห็นไห ม, ม60นาที60วินาทีเท่าไหร่ 86,400 วินาที8 1, 4 0 0วินาทีถ้ามันลงคิดทุกนาทีนะบางทีเรารู้พันครั้งนี่ก็ มันก็ลดจลํานวนลงได้เรื่อยๆนะรู้หมื่นครั้งนี่ก็ยังดีนะไอ้เจ็ดหมื่นครั้งที่ยังไม่รู้ก็ปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนนะแล้วค่อยๆรู้ไปนิดๆหน่อยๆของเราไปอยู่นะบางทีพอมาปฏิบัติธรรมบางคนเครียดหรือบางคนเปรียบเทียบว่าทําไมตัวโหลงมันมากตั ว, ตวรู้นะก็ไมมันหลงมากเหลือเกินเดินไปก็ก็ดียกมือไปก็ดีมันหลงมากเหลือเกินอนะแล้วก็ ไม่ต้องไปเปรียบเทียบ ม, มากบางทีรู้กลับมาแค่สิบเปอร์เซ็นก็ยังมีอมันค่อยๆพ่อคูณเพิ่มขึ้นเองเรนะื่อยๆเนาะไป่ต้องกังวนอย่าไปดูตัวหลงให้มาดูตัวรู้ให้มาเปรียบเทียบตัวเองนะถ้าจะเปรียบเทียบอย่างน้อยเรามีพัฒนาการมันรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นไอ้ตัวหลงนี่เอาเอาไว้ที่หลังเหมือนกับเราทํางานถ้าเราไปดูแต่ ว, ว่าอันไหนยังไม่เสร็จเนี่ยมันจะเหนื่อยนะ อกวาดบ้านนี่โอ้มันลบเหลือเกินถ้าไปคิดทั้งมันมันลบมันเหนื่อยนะแค่คิดนี่ก็เหนื่อยแล้วนะแต่ถ้าทําให้ที่กวาดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบางทีงานบางอย่างมันดูเหมือนมากนะแต่ทําไปก็สักเดียวก็เสริฐนะอืแต่มันเหนื่อยตอนที่มันยังไม่ทําหรือมันเหนื่อยตอนที่มีนคิดใช่ไหมโอเกคก็ได้งานเลยไปก็ไดแต่บางทีแต่พอลงมือทําเนี่ยมันเริ่มสําเร็จแล้วนะมันใกล้ความสําเร็จมันใกล้จะเสร็จแล้วอ แต่ตอนยังไม่ทํานี่มันมันมันยังไม่เสร็จหรอกแล้วก็ไกลความสําเร็จเริ่มเลยก่อนเหมือนกับพวกเรามาปฏิบัติธรรมก็เป็นการเริ่มต้นเนาะเริ่มต้นเจอความง่วงบ้างเริ่มต้นเจอความคิดบ้างก็อย่าพึ่งท้อโยมนะอะ<ม>เป็นงานที่เราต้องฝึกฝนเรียนรู้ดูไปก่อนทุกคนต้องเจอนะแต่มันก็เราก็ต้องกลับมาถามเองไนงะถ้าเราถ้าเราเจอมันตอนนี้แล้วเราก็หนีมันไปท้อแล้ว มันก็ต้องบนเวียนเข้ามาเองจะไปปฏิบัติธรรมข้อไหนที่วัดไห น, นก็ต้องเจอเหมือนกันนายโยถ้าเราไม่ทําต่อเนื่องไม่ฆ่ามาที่ได้ทั้ทีไม่เรียนรู้ดูมันจริงๆรทั้งทีเนะี่ยเราก็ต้องเวียนว่ายเข้ามาเจอเรื่องพวกนี้สารพัดเลยนะอืโดยเฉพาะความคิดนะความคิดที่มันหลอกเราเก่งมากนักโลคโกดหลงอิจฉาพยาบาศหรือไม่แต่ความคิดด้านดีติดดีนะติดดีอย่างอย่างนะติดดีก็ทุกแบบคนดีนะ แบกประเทศชาติก็ทุกแบบแบกบประเทศชาตินะแบกบโลค ก, ก็ทุกแบบแบกบโลกนะอาตมามี่งพี่คนหนึ่งเขาตอนนี้เขาแ บ, บโกโรคอยู่แบกบโลคอยากจะแชร์ใครโลกทั้งใบหนอหนักใจแทนแเนี่ยเราก็ไม่ได้หนักใจแทนหรอกแต่บางทีความไปยึดมั่นว่าเราเกิดมาชาตินี้เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงโรกนี้ให้ได้เลยนะมันมาทําให้ มันเหมือนเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่มากซึ่งจริงๆถามว่ามันเป็นเรื่องดีไหมมันก็ดีแต่การไปแปกไว้ว่าเราต้องทําให้ได้หรือว่าประนามคนที่ทําผิดจากสิ่งที่มันควรจะทำเนี่ยมันทําให้เกิดเป็นความทุกข์มากดังนั้นหน้าที่เราก็ทําไปแต่ทําไปอย่าแบกนะทำไปทหน้าที่ในการสอนหนังสือก็ทําอย่างดีที่สุดทําหน้าที่ในการอะไรก็ตามก็ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดแต่ก็ต้องยอมรับผลในการที่ ที่มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ใจเราต้องการก็ไนดะ้ <c oughs> ตั้งเผื่อใจเลยนะทศิษย์ยาถ้าเผื่อใจไว้แล้วมันจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเป็นมุ่งว่ามันจะต้องด้านเดียวเท่านั้นอืมด้านเดียวอย่างที่เราต้องการแนคะ่ น, น, นั้นนะตนไมันจะทุกข์แต่ถ้าเผื่อใจอาจจะเป็นอย่างที่เราต้องการก็ตามหรือไม่เป็นอย่างที่เราต้องการก็ตามรับผลของมันได้เนี่ย ม, มันจะไม่ทุกข์เลยอืมมันจะไม่ทุกข์แต่ หน้าที่การงานสิ่งต่างๆก็แก้ไขไปตายมเหตุตายมปัจจัยตามปัญญาที่มีเพิ่มขึ้นมากขึ้นก็ปรับปรุงแก้ไขไปนั่ น, นแหลดังนั้นการปฏิบัติธรรมนะไม่ใช่เรื่องของการหนีโลกหรือหนีงานหนีผู้คนเราดูกับการกับงานเลยกับผู้คนลแล้วก็ดูดูการงานดูจิตใจดูร่างกายของเราไปเรื่อยๆถ้าเราปฏิบัติธรรมกับการใช้ชีวิตได้นะอัจมาเชื่อว่ามัน การปฏิบัติธรรมจะเห็นผลมากถ้าเราปฏิบัติธรรมได้แต่ตอนทําในรูปแบบหรือว่ามาเข้าคอร์สเนี่ยมันมันจะช้าเพราะว่าพวกโยมไม่มีอกาศมาเข้าคอร์สมากหรอกเดือนหนึ่งสองสามวันนี้ก็ถือว่าก็มากแล้วเนาะใช่ไหมถ้าสองสามวันเทียบกับยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวันมันมันถือว่ามันเงินน้อยใช่ไหมฮะถ้าเราทําแค่สมมุติว่นเราหาเงินสองวันสามวันใช้ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดวันเนี่ยมัน หาเงินก็ไม่พอนะนอกจากอแบบประเทศรวยอยู่แล้วนะมันก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งดังนั้นการฝึกส ต, ติถ้าจะฝึกแค่ในรูปแบบหรือเขคอร์สมันมันยังไม่พอนะนะต้องถ้าเรามีโอากาสในรูปแบบในคอร์สเราก็ทําแล้วก็นอกรูปแบบในชีวิตประจำวันเราก็ทําไปเรื่อยๆเหมือนกันค่อยๆเก็บเลขผสมน้อยไปนะอืมอเก็บเลขผสมน้อยไปเดี๋ยวความรู้ความเข้าใจก็มากขึ้นแล้วก็ เราก็จะมีเทคนิคมีวิธีการมีการประยุกต์ต่างๆได้มากมายเลยนะลองไปลไปทำดนะูไม่ยากเกินไปไม่ยากเกินไปลัวก็กบอกให้พวกเราได้ได้รู้แนวทางไวแล้วก็แต่สุดท้ายพวกเราก็ต้องไปไปกระทำเองนะไปกระทเอง